ต้นไม้ที่เ ย, ยื่ยยิงก่าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นไม้2ต้นอยู่กลางป่าต้นหนึ่งเป็นต้นเิกอีกต้นเป็นต้นมะม่วงต้นมะม่วงร่าเริงแจม่มใสนกจะมาจิกกินมะม่วงบนต้นนกนางแอ่นจะมาสร้างรัศ และเหล่านกจะมาร้องเพลงให้เขาฟังต้นไม้ต้อนรับนกทุกตัวและร้องเพลงด้วยกันเขาเป็นต้นไม้ใจดีต้อนรับผู้ที่ผ่านมาและยืนแก่งเมื่อลมพัดแต่ต้นฟิกไม่ใจดีเลยเขาเอาแต่แคร์ลูกของเขาเขาภูมิใจที่เขาสูงกว่าและเขียวกว่าต้นมะม่วง เไม่ยอมให้นกตัวไหนพักใต้ต้นของเขาและเขาจะโรยใบ ไ, ไม้แห้งใส่ทุกคนที่ไปนั่งหลบแดด น, นายภูมิจะให้อะไรของนายต้นไม้ทุกต้นน่ะมิร่มเงาของตัวเองงั้นเหรอแล้วทำไมต้องมานั่งหลบใต้เงาของฉันด้วยละ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่เงาใหญ่เท่ากับฉันอีกแล้วไงละ่ะ โอ้คุยกันไปก็เท่านั้นนะเฮ้ไปไกลๆเลยไปที่ต้นมะม่วงต้นนั้นแทนเลยอย่ามาทำให้ผมของฉันต้องเสียทรงโ อ, โอ้นายไม่มีผมนะก็ใช่งั้นนายมายุ่งกับใบไม้ของฉันพอใจหรือยังพอใจไหมไม่เอาหน้ะฟิก พวกเขาก็แค่อยากจะสร้างรังนายไม่เคยยอมให้นกกามาสร้างรังพวกมันสวยงามพวกมันร้องเพลงให้เราฟังด้วยเฮ้ยเพลงน่าเบื่อแล้วขอละ่ะฉันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ใบไม้ของฉันแน่นอนมันจะทำให้กิ่งก้านของฉันนั้นไม่สวยให้มันสร้างรังไปสินายน่ะเตี้ยกว่าฉันนายไม่ได้สวยขนาดนั้นด้วยซ้ำไป เอะระวังหน่อยมันเป็นเรื่องที่หยาบคายนะเฟกไม่เป็นไรรอกลมฉันไม่เจ็บหรอกเพราะการเตี้ยเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่ฉันภูมิใจในตัวเองหลายวันผ่านไปต้นไม้ทั้งสองยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนต้นมะม่วงจะยิ้มและร้องเพลงทั้งวันส่วนต้นฟิกจะไม่คุยกับใครเลย อโอ้วันหนึ่งมีพึ่งเข้าป่ามาราชินีพึ่งเห็นต้นฟิกแล้วประทับใจมากโอ้ต้นไม้นี่ดูแข็งแรงมากเลยมันเหมาะที่จะเป็นบ้านของเราได้เรามาสร้างรังที่นี่กันเถอะทุกคนเอ่อโทษทีนะ ใครบอกว่าทำได้เหรอฉันไม่ได้ต้องการให้นําพึ่งเหม็นๆมาติดกิ่งของฉันสักหน่อยเพราะพวกเธอนะ่ะร้องหึงห่งๆกันทั้งวันฉันมีเรื่องต้องทำนะเธอนะ่เป็นต้นไม้ที่ติดอยู่กับที่เดียวในป่านะเธอหมายความว่ายังไงที่ว่าเธอมีเรื่องให้ทำนะ่ะช่างเธอห้ามเอาพวกเสียงดังหึงห่งๆมาที่นี่โดยเด็ดขาดฟิกพวกเธอคือพึ่ง น้ำผึ้งพวกเธอสาคัญกับธรรมชาติพวกเธอจะต้องการต้นไม้เพื่อสร้างรังถ้าเราไม่ช่วยกันธรรมชาติจะอยู่ในสมดุลได้ยังไงเล่าถ้าธรรมชาติอยากจะให้ฉันทำกิ่งก้านพังนั่นนะมันคงไม่สร้างฉันให้แข็งแกร่งและสวยงามแบบนี้หรอกฉันเป็นสิ่งที่สวยงามของธรรมชาติฉันจะให้ตัวเองสวยงามต่อไปเพื่อธรรมชาติ แล้วนายนะ่มาสอนฉันทำไมถ้านายแคร์ธรรมชาติขนาดนั้นก็เอาสิให้พึ่งพวกนี้นะ่ไปสร้างรังที่นายแทนฉันนะ่ะขอผ่านก็แล้วกันนะฉันนะ่ะไม่เอาด้วยหรอกมะม่วงเจ็บมากกับคำพูดของฟิกแต่เขาไม่สนใจเขาเรียกเราพึ่งมาที่ต้นของเขาและให้มาสร้างรังกับเขาแทน เธอใจดีมากเลยนะมะม่วงเรายินดีที่จะสร้างรังที่นี่เธอนี่กลิ่นหอมหวานมากออออขอบคุณนะราชินีเป็นเกียรติมากเลยท่านพึ่งสร้างรังบนต้นมะม่วงและอยู่ยามสงบต้นมะม่วงไม่ใส่ใจเสียงพึ่งหรือความเหนียวของน้ำพึ่งแต่ต้นฟิกนั้น ก็ยังคงด่าทุกคนเหมือนเดิมเฮ้ยคุยกันคิกคักหน้ารำคาญจริงๆเงียบหน่อยจะได้ไหมพวกนกที่เสียงดังเป็นบ้าเลยนี่จะต้องร้องเพลงตลอดเวลาเลยหรือยังไงกันนะฮะรำคาญน่ะรู้หรือเปล่าสองสัปดาห์หลังจากนั้นมีนักตัดไม้สองคนเข้ามาในป่าพวกเขาต้องการไม้ไปสร้างบ้านพวกเขาเห็นต้นมะม่วง และตัดสินใจจะตัดต้นมะม่วงพวกเขาว่ามันเหมาะกับงานแต่คนหนึ่งเห็นบางอย่างโอ้นั่นอะไรนะ่ะนั่นมันรังพึ่งนี่นะถ้าเราตัดต้นไม้ต้นนี้เราคงจะโดนพึ่งต่อยโอ้ใช่แล้วงั้นไปหาต้นมะม่วงต้นอื่นกันเถอะทั้งสองเดินไปแล้วก็เห็นต้นฟิกพวกเขาชอบความสูงของต้นไม้ มาเริ่มกันจากส่วนล่างของมันก่อนดีกว่าทั้งสองอจึงเริ่มตัดต้นฟิกต้นฟิกเริ่มร้องอเขาไม่อยากจะไปจากป่าหลังจากนั้นเขาก็คิดถึงเหล่านกขึ้นมาทันทีอโอ้ยนี่ฉันเจ็บนะพวกเธอทำอะไรกับฉันเนี่ยต้นมะม่วงเห็นทุกอย่างเขาเรียกพึ่งมาเฮ้พึ่ง มีใครอยู่บ้างไหมอะไงจะมาม่วงมีอะไรเหรอต้นฟิกกำลังลำบากเราต้องไปช่วยเขาขอละ่ะต้นฟิกน่ะสนใจแค่ตัวเองเขานะ่ะโกรธทุกอย่างในป่าแห่งนี้แล้วเราจะต้องไปช่วยเขาทำไมเพราะเหตุผลเดียวกันกันกบที่ฉันขอให้เขาช่วยเธอไงล่ะแต่เขาไม่ช่วยพึ่งนะครั้งนี้ฉันเข้าข้าบพึ่ง ฟิกนาเหลืงเยอะยิงเกินไปถ้าเขาให้พึ่งสร้างรังบนตัวเขาช่านไม้คงจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วละเขากำลังได้รับบทเรียนแล้วลมเอ๋ยไม่ว่าฟิกจะทำตัวยังไงเราจะไปใส่ใจไม่ได้นะเพราะว่ามีคนหยาบคายกับเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยาบคายตอบ คือบ้านของเราทุกคนเราทิ้งฟิกไม่ได้หรอกตอนที่เขาต้องการเราน่ะฉันว่ามะม่วงพูดถูกนะเราน่ะต้องช่วยต้นฟิกเร็วเข้าเด็กๆออกมาต้นฟิกต้องการให้เราช่วยเหล่าพึ่งรีบออกมาแล้วบินไปที่ช่างไม้พวกมันเริ่มบินไปใกล้ๆหูและตา อไม่เห็นอะไรเลยว่าไงนนะทํฉันไม่ได้ยินเลยนะ่ะโอยโอ๊ยเราต้องไปจากที่นี่แล้วพวกมันจะต่อยเราเราเจ็บแน่เลยหรอ<า>โอ้เลิกร้องได้แล้วนายนั่นแหละพาฉันมาที่นี่ไม่ใช่ฉันรีบไปกันเถอะไปเลยโอยโอหลังจากช่างไม้หนีไป ต้นฟิกอัพอายมากกับพฤติกรรมของเขาเ อ, อ่อฉันต้องขอโทษด้วยนะพึ่งทั้งที่ฉันร้ายกับเธอแต่เธอก็ช่วยฉันเอาไว้น่ะไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะขอบคุณมะม่วงเธอเธอนะ่ไม่เคยคุยกับเขาดีๆ ด, ด้วยซ้าเอาแต่หยาบคายใส่เขาแต่ว่าเขานะ่กลับเป็นคนบอกให้เรานะ่ะมาช่วยเธอโอ้จริงเหรอมะม่วง ฉันขอโทษจริงๆนะฉันนะ่รู้ตัวว่าฉันผิดเราต่างมีข้อดีของตัวเองเราพิเศษในแบบของตัวเองต่อไปนี้ฉันจะไม่เย่อหยิ่งแล้วก็ต่อว่าใครอีกต่อไปแล้วขอละ่ะให้อภัยฉันเถอะทุกคนเลยต้นฟิกเรียนรู้บทเรียนจากวันนั้นเขาไม่ว่าสายลมหรือนกอีก เขาร้องเพลงกับต้นมะม่วงและให้นกนางแอ่นสร้างรังและสองต้นไม้ก็เป็นเพื่อนรักกันตลอดไป